บุกทูห้าสิบสองในห้างสปปรรพสินค้าเราไปห้างสปปรรพสินค้ากันไหมผมต้องไปซื้อของ Я повинна з р а б и т ь покупки ผมอยากซื้อของหลายอย่าง Я хочу з р а б и т ь шмат покупок п а н е เครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ Где знаходятся канцелярские товары ผมต้องการ с องจุดหมายและเครื่องเขียน Мне потребные конверты и паштовая папера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 มีอะไรต้องการไหมคร ц а แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมีผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก мне ้องการลู я футбольны กระดานหมากรุก แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับผมต้องการคอร้อนและคีมผมต้องการสว่านและไขควงแผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน ผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือผมอยากได้แหวนและต่างหู